3.3 จเมื่อเราเข้าถึงธรรมะจะพบบ้านที่แท้จริงวงเล็บเปิด24มิถุนายน2550นาจุดจุดนาที1 3วงเล็บปิดถ้าเราเข้าใจธรรมะนะเราจะรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ตอนเราอยู่ในโลกเราก็รู้สึกมีพ่อมีแม่นะแต่พ่อแม่ชนิดนี้ตายได้แต่พอเราภาวนาใจเราเข้าถึงธรรมเราเจอพ่อเจอแม่ของเรา เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเรามีพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นพี่พี่ของเราจะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่รู้สึกแบ่งแยกแล้วไม่ตายด้วยสิไม่ตายไม่มีตายอยู่กับเราได้ตลอดดังนั้นพอเราได้ธรรมะแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความอบอุ่นที่สุดเลยมีชีวิตอย่างอบอุ่นพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราคราวนี้ไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไปแล้วเรามีความสุข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 วันหนึ่งเรากลับบ้านเราได้เจอพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ครบเลยโอ้สบายจังนะชีวิตต่อไปนี้ไม่มีเงียบเหงาชีวิตต่อไปนี้ไม่มีว้าเหวอีกแล้วมันเต็มอิ่มอยู่อย่างนั้นแหละจิตใจส่วนที่เหลื อ, อนี่เต็มไปด้วยความเมตตานะไม่ใช่ความรักแต่เป็นความเมตตาที่เต็มโลกเลยมองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวรู้สึกเห็นอกเห็นใจรู้สึกเคยลำบากมาด้วยกัน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 มีของกินของใช้มากขึ้นนะแต่ว่าหิวมากขึ้นใจเต็มไปด้วยความหิวตลอดเวลาเลยมันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอฉะนั้นโลกยิ่งพัฒนาเราก็ยิ่งหาความสุขได้ยากขึ้นเรื่อยๆอย่าหลงโลกนะโลกไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงเท่าไหร่หรอกหันมาศึกษาในกายในใจนี้โลกเป็นแค่เครื่องอาศัยจาเป็นต้องมีมีเสื้อผ้ามีอาหารมีที่อยู่อย่างนี้จาเป็นนะมีหน้าที่การงานของจาเป็นของอาศัย แต่จริงๆแล้วคนแสวงหาสิ่งต่างๆด้วยวัตถุประสงค์จริงๆคือต้องการความสุขแต่ยิ่งดิ้นหาสิ่งอื่นๆก็ยิ่งไกลความสุขออกไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราเข้ามาเรียนรู้อยู่ในกายในใจนี้วันหนึ่งความทุกข์มันหลุดออกไปจากจิตใจนี้แล้วเราจะเจอความสุขที่มหาศาลมีสุขจริงๆนะ